สันสาธุชนพุทธบริษัตวทั้งหลายและพระโยค่าวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปเพอได้โปรดตั้งใจสะดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ ก็อยาขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือสามอย่างคือหนึ่งกายขตานุสติสองมรณาอ น, านุสติสามอุปสมานุสติจะทิ้มไบรวมกันเพื่อว่าอนุสติทั้งสามเป็นกรนี ถือว่าเป็นนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดานุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญกบเพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผูด้ใดปฏิบัติในนุสติทั้งสามเรตการนี้ควบกันเป็นปกติ ท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออารหาาัตผลโดยตรงฉะนั้นถึงผมจึงถือว่าอนุสติสังสารเการนี่มีความสำคัญมากโดวยว่าท่านที่อยกเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันถ้าขาดการเจริญกายกัตาอนุสติกรรมฐาน ท่านพูดนั้นจะเป็นพระรหันต์ไม่ได้เรายการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดา ส, สัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่ง ได้ทรงจัดเรียกพระอานุ์มาเวลานั้นพระอานุ์เป็นประสูนาบรนสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงจัดถามพระอานุ์ว่าอานันท์ดูก่อนอนุน์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานุ์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้า นึกถึงความตายวันรับประมาณเจ็ดครั้งพระพุพธิโยค่ะสมเด็จพระบรมสาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาจตุว่าอานันทะดูก่อนอนุน์เธ อ, อยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่า น, นี้แล้วองค์สมเด็จพระมหามนีก็ทรงตรัสว่าตถาคตเอง นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเขาออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเขาออกก็ได้แก่ควบกับสกายอทิธิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องข้าไปแต่นับเนื่องกับสกายอทิธิถ้าคิดถึงความตาย ท่านเรียกว่าสมะถะใ้เห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นสกายติทิ แล้วกำมาถานข้อที่สามคื อ, อนุสติที่สามก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี้ก็เป็นการเลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติโรดีทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่ มักจะยกตัวอย่างคือว่าต้องการให้บทสาวบรชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้ <c oughs> บรรดาผู้ใหญ่ท่านหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับย้ายความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กันลูกหลานของท่านต่อไป ทั้นี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขใน้บริการนี่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้กันเองก็ดี <c oughs> เขาตายให้เราดูทุกวัน ปีหนึ่งรับบาดเชิ้ในการเผาศพนับไม่ทวนฟังข่าวการตายนับไม่ทวนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดทีงความตายเชอวบ้านอยากจะตายเขาไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปฏิสมานุสติสําหรับ การนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่เหมือนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ ไปจำศัพท์ว่านิพานังประมังสุนญญงแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพานสุญญ์ความจริงคําว่าศูนย์ก็แปลว่าว่างนิพานังประมังสุนญญงแปลว่านิพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่างเป็นอันว่าอนุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใด หรือว่าท่านพูดใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจําให้ดีเนี่ยรับสำหรับอนุสติสามนี่น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งรู้ ว, ว่าเป็นอนุสติที่มีความสําคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่ามาแล้วทั้งหมดก็สําคัญทั้งหมดแต่ที่ผมที่กล่าวกันว่านิพ นางประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิง่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจําศัพท์ว่านิพานนางประมังสุนอย่างแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพานศูญความจริงคําว่าศูนย์ก็แปลว่าว่างนิพานนางประมังสุนอย่างแปลว่านิพานเป็นธรรมว่างอย่างยิง่งคือว่างจากความเลวทุกอย่าง เป็นนั้นว่าอนุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผูดด้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจําให้ดีนระครับสําหรับอนุสติสามนี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดนึงเราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสําคัญที่สุด ความจริงทุกอนสุสติมาที่กลัาแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมาขมวดตอนท้ายว่าอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุท ธ, ธจริญรือว่าคนฉลาดเท่านั้นจึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็น ด้วยอำนายของปัญญาเมื่อไหรใหญ่ของท่านก็เข้าถึงกระแสรพระนิพพานเมื่อ น, นั้นและกระแสรพระนิพพานที่เก้าวเข้าถึงความเป็นอรหัตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุตติทั้งสามราการนี้แล้วขึ้นชีว้ว่าความหวังในความเป็นอรหัตผลของท่าน นี่ผมขอพูดสำหรับท่านที่ทรงวิทยาบารมีและก็บรรยาบารมีกำลังจิตของท่านทรงอยูใ่ในกรรมฐานเนื่องสามาเดือนเกินนุสติสามการนนี้ขอผมผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่สามเดือนถ้าว่าท่านมีความไม่นคงจริงๆไม่เกินสามเดือนบรุอรหัตผล ออบบเอารรมพบจะมันนานยาวแต่นี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าแอนุสติที่มีความสําคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกายกาตานุสตินี่เป็นด่านสําคัญมากในบอกไว้แล้วว่าท่านพูดใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทําลาย อารมณ์ที่เกาะในกายได้คือไม่ผ่านกายยาคตานุสติกรรมฐานท่านพูดนั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายยาคาตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปเป็นการทั้งปวง เชื่อกันไม่ได้เลยถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดแล่พระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็บอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านี้ผ่านไปแล้วเราจะพบคนได้ยังไงการที่พูดกันาว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้ เป็นไปไม่ได้เพราะธนิพานเป็นแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกลางหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอาราภบทมตวสทีต่อตีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึง แต่ทางนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดีในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงโตด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดปลายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลม คำว่านุ ล, ลมคือพิจารณามาตามลำดับใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมฐานกองแรกที่เราจเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อย ม, มาจนกร ท, ทั่งถึงองค์สุด ท, ท, ท้ายอย่าสุดท้ายได้กระถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่านุสติแปลว่าตามระนึกนึกถึง ดังนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้งสามประการอันดับแรกท่านก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อนนาปานุสติกรมฐานเจอความจริงในอนุสติสิทธิานจเรียงอนนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสําคัญเจ <c oughs> ะเรียยังไงก็ช่างแต่ว่า ถ้าวิธีเวลาปฏิบัติอันดับแรกแท่านก็ต้องจับอนาปานุสติกรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติหรือนุสติอันใดที่มีรมทรงตัว <c oughs> ก็ต้องทําจุดนั้นเซมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีรมสงัดที่สุดเท่าที่ท่านเพิ่งจะทําได้ เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลา ใ, ใจเข้านึกว่าพุทธเวลา ใ, ใจออกนึกว่าโธแล้วก็กำหนดลมสามฐานหรือว่ากำหนดลมไม่ใจเข้า ใ, ใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถิดแบบมาหาสตรีปานณสุยก็ได้แบบกรรมฐานสี่สิที่ก็ได้ แบบกรรมฐ า, านสี่สิบเวลาายใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกได้ทบที่ อ, อกกระทบที่ศูนย์เหนือสเสน่ยเวลายใจออกกลมกระทบศูนย์เหนือสเสด่ยก ร, ก, กระทบนอกกระทบดิมจมูกหรือว่าริมผิ่ปากท้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลายใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่หาใจว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคาภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึ ก, กว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทตน้นบทต้นอย่างนี้พอเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัว แล่ต่อมาก็พิจารณาความดีขาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระงร์สวัสดิโสภาดียังไงอย่าเชื่อชวบันใช้ปัญญาเขาเราพิจารณาได้เหตุผล ตอนนี้พอจิตสบายเรื่อมใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นว่ามั่นใจในความดีที่คําสอนอ ง, องค์สมเด็จปิจนาสีทรงตัดต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาพแนะนำถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุชุปฏิ ป, ปฏันโน ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติสมุขคนสามีทิปันโนกปฏิบัติเอาละปฏิบัติยังไงก็ช่างเอากันดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานสุสติกรรมฐานให้ทรงตัวพราะได้แค่ศีลานสุสติกรรมฐานท่านก็เป็นประสูตดามันแลว้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มัน่นใหญ่คลาด ต่อไปก็จารคานุสติกมัฏฐานตัวจารคตัวเดียวนี้ก็สามารถปิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไวในร ม, มเราจะเป็นนักเสียสละเสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อเพื่อความทรงธรรมที่เพื่อมิพันธ์ แล้วต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมฐานสาคัญเพราะทรงฮิริระโอตะปะายชั่วโลชั่วรวมความว่าไม่รวบรวมความชั่วไว้นในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยพระอราหันต์ไม่กันเป็นพระราารอรหันต์ก็ ง, ง่ายและต่อมาเราก็มาว่ากัน อุ่งกายยกกะตามรณาอุปสมาเป็นอ น, นว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อนาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยืย่ยเกียร์สบายก็ไล่มาทีละอย่างละอย่งางละอย่างอย่างเท่านั้นใจสบายเรื่อยมาตามลาดับให้มีอารมณ์สมบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เคืออนุโลม สำหรับอดีลมก็คิดเจรณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตทรงตัวนั่งหลับตาก็คิดเหมือ่กันลืมตาก็คิดเหมือนกันเวลาคุยกันอยู่เดินไปจำบัตรทำกิจการงานคิดเหมือ่กันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมวดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมวดตามใจชอบ ทำได้แล้วแท่งกับเป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่อยากเราคิดชั่วทำไมเราไม่คิดได้เราคิดดีทำไมจะคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็าจะขอพูดถึงกายยิคตานสติก่อนกายยิคตานสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกรรมชันทะ ถ้าโดยย่อพ่ออย่างยิ่งกายยคตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายาทิฏฐิแล้วมรณาณุสติก็เป็นตัวชิดติดติกับกับสกาญทิฏฐิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะว่าการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายาทิฏฐิทนนั้นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะ สำหรับอุปสมานุสติในรักษารม์ให้เป็นสุขกายคจตานุสติท่านให้พิจรารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้างที่เป็นยังไงนะช่งางเขาพิจรารณากายที่ว่ามันเป็นของเรา มานั่งนึกดูตามที่พระอุปชาสอนว่าเกษาโลมานคาทันตาตโจนึกถึทวนตะโจทันตานคาโลมาเกษาเอาแค่ห้าอย่งางมันเป็นกายผมมันสะอาจริว่าสกปกโลมาขนสะอาดหรือว่าสกปรก ผมขนแล้กวก็เล็บสะอาดและสปลกปรกเกสาโลมานขาท่านตาฟันฟันที่อยู่ในปากสว้วมสปกปรกต่โจหนังหนังสะอาดและว่าสปกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าว่าเราจะไว้ผมยาว ผมยาวแล้วผมสั้นไม่สาคัญไม่สะไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าถ้าปล่อยเกล็ดกลางไว้ไม่กี่วันมันก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม่น มันก็มีสภาพสปกปรกเหมืนสาบเหมือนสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากกายกายภายในที่เรียกคำเบืงเหยื่อใครเป็นต้นแล้วในเมื่อสิ่งท่า้งหลายเหล่านี้ไม่เข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหม นั้นในที่สุดผมมันก็ไม่มีการส่งตัวไม่งอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมาสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวต่อไปอีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะสายสันติคือการเสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสาย จึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่แปนว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาที่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมมสีสันวันณะของมันพาออยุการผ่านไปมากไปผมก็อยกลายสีจากดำเป็นแดง จากแดงเป็นขาวผมออกซะแล้วหมดหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสุขปรฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้ แต่แต่หากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้าไปในปากไม่ได้นะั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรากิรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทําไมเราจะไมีคิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดงดงามเรามองแต่ที่หนัง คนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่อความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียว พหนังทะเลาบอกเปิดสนิดหนึ่งคนที่เรานิยมว่าสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้มันหมาว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้มีแค่ที่เราเห็นว่าสวยแล้วมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการสามสสองแล้วก็สามเดือนไม่จบ สรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบน้นออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแต่น้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกพุจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสําหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ําเสะอาดที่เราดื่มเข้าไป อุจาระมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอมันกากเป็นกากถ่ายออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจได้จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมามันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือ ย, อยังไง แต่ความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกียดว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่ขอนน่นหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเราไม่สะอาดและสกปรกสําหรับน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึกก็พอแล้วกันจะใหผ้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าว่าไปถึงขนาดนั้น พอเดี๋ยวชาว บ, บ้านเขาเจะเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเส้นเลยเพียงแค่ของอย่างเดียวก็สามารถที่เห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดซ้ำเลือดทซ้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกคล้าวกันไปหมดถ้าเราจะกําหนดจริงๆเอเหนว่าร่างกายนี้ เหมือนกับปนปลาช้าเคลื่อนทีหรือว่าซ่วมเคลื่อนทีให้มันสะอาดจละสุขโปรภิเมื่อถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสุขโปรภร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยากจะโยบึงเป็นคู่ครองที่เราเรีอกสรรมันแล้วเสีย สวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีเอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสุขกรปุกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ ว, ว่าสิ่งที่เราจะได้มา น, นี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรืยอยัง ที่ท่านยังหลายเย็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน้าประคับประของที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความขโขกปลอกร่างกายเป็นบาจใจของความทุกข์ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิบัตินายาน อารา บ, บันดาท่านพุทธบริษัทุท่านและพโยค่าวจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันวันเดเพียงแค่นี้สำหรับกายยาคาตานุสติกัรมัฐานนี้จะโยนเพืแค่นี้เพราหมดเวลาตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกําหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คํำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาสายชิงกว่าจะดิ้นขึ้น ยี่กว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นติ็การสมควรที่ท่านจะพักสวัสดี